รักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องของเล่นของคุณตาพีทเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในร้านขายของเล่นเล็กๆแห่งหนึ่งได้ไม่นานด้วยความขยันและซื่อสัตย์ทําให้เจ้าของร้านไว้วางใจให้พีทดูแลร้านคนเดียวเพื่อที่ตัวเขาจะได้มีเวลาไปดูแลกิจาการอื่นอย่างเต็มที่พีท ช, ชอบแนะนําของเล่นดีๆให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน เธอรักเด็กจึงมีความสุขกับงานที่ทำเป็นอย่างมากหลังจากทำงานมาได้ระยะหนึ่งพีทก็สังเกตเห็นว่าทุกๆวันเสาร์จะมีคุณตาหน้าตาใจดีคนหนึ่งเข้ามาซื้อของเล่นดีๆจากในร้านไปครั้งละหนึ่งชิ้นพีทเพียงแต่ยิ้มให้คุณตาเวลาคุณตานำของเล่นมาจ่ายเงินแต่ไม่เคยได้คุยกันวันเสาร์ต่อมาคุณตาก็เดินยิ้มแป้นเข้ามาในร้านเหมือนเช่นทุกครั้ง พีสนไปเห็นพอดีจึงยิ้มตอบให้คุณตาก่อนจะเลี้ยงไปทํางานอีกมุมหนึ่งครู่หนึ่งคุณตาก็เดินอุ้มตุ๊กตาชายชาราที่หน้าตาละไม้คล้ายคุณตาตัวหนึ่งมาหาพีสแล้วพูดอย่างเคอะเขินว่าเออหนูจ้ะสงสัยตาจะแก่ม า, ากไปซะแล้วจึงเมื่อรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มีวิธีเล่นอย่างไรตาคิดว่ามันไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาธรรมดา แต่ต้องมีกลไกอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แน่หรูช่วยเล่นให้ตาดูหน่อยได้ไหมจ้ะพีดยิ้มด้วยความยินดีก่อนจะรับตุ๊กาตามาดูและบอกว่า อ, อ๋อคุณตาคะตุ๊กาตาตัวนี้มีปุ่มเปิดเสียงซ่อนอยู่ข้างหลังคุณตาต้องกดตรงนี้นะคะพีด ช, ชี้ไปยังบริเวณที่มีปุ่มเปิดเสียงฝังซ่อนอยู่ทำไมเขาจะต้องเอาปุ่มไปซ่อนไว้ข้างหลังด้วยล่ะหนูถ้าเด็กๆหาไม่พบละ่ะ พีทหัวเราะเอนดูในท่าทีของคุณตาที่ทำเหมือนเป็นเด็กเสเองเด็กๆฉลาดเรื่องการเล่นมากกว่าผู้ใหญ่เสียอีกนะคะคุณตาไม่ว่าของเล่นนั้นจะซับซ้อนอยังไงสุดท้ายเด็กๆ ก, ก็จะค้นพบความลับของของเล่นชิ้นนั้นได้เสมอคุณตามองพีทแล้วหัวเราะตามอย่างเห็นด้วยเออเห็นจะเป็นเรื่องจริงของเล่นที่ตาซื้อไปไม่ว่ากี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นพวกเขาก็เล่นได้หมด พีทจึงได้โอกาสคุยกับคุณตาในเรื่องนี้ขอโทษนะคะคุณตาคุณตามีหลานหลายคนหรือคะหนูเห็นคุณตาซื้อของเล่นไปทุกสัปดาห์เลยโอ้ยหลานตามีเต็มห้องไปหมดเดี๋ยวก็คงมีเพิ่มมาอีกหลายคนคุณตายิ้มบอกแล้วลองกดปุ่มด้านหลังตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนั้นร้องขึ้นทันทีว่าตารักหนูตารักหนูหนูเป็นเด็กดี ตารักหนูคุณตาดิ้งไปในทีแรกแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจมินานเล่าเขาถึงซ่อนปุ่มเปิดเสียงไว้ข้างหลังเพราะตุ๊กตาพูดได้อย่างนี้นี่เองดีละเด็กๆจะได้ประหลาดใจแล้วก็รู้ว่าตารักเขาจริงๆคุณตาพูดอย่างมีความสุข พีทเองก็พลอยอิ่มใจไปด้วยนึกอิจฉาหลานๆของคุณตาซะจริงที่มีคุณตาน่ารักน่ารักแบบนี้วันนี้ตาเอาตุ๊ ก, กตาตัวนี้แหละจากหนูคุณตายิ้มบอกพีทจึงรีบคิดเงินให้คุณตาทันทีวันต่อมาขณะที่พีท ก, กำลังจัดชั้นวางของเล่นอยู่นั้นหญิงคนหนึ่งพร้อมด้วยเด็กชายตัวเล็กๆ ก, ก็เดินเข้ามาในร้านหล่อนเดินตรงมาหาพีทและพูดว่า มีผู้ชายสูงอายุท่าทางใจดีคนหนึ่งมาซื้อของเล่นที่ร้านนี้บ่อยๆใช่ไหมคะพีทรู้ทันทีว่าชายสูงอายุที่หลอนถามถึงคือคุณตาคนนั้นคุณคงหมายถึงคุณตาที่มาที่นี่ทุกวันเสราร์หญิงคนนั้นถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่นล่ะคะ่ะคุณพ่อของฉันเองมีอะไรหรือเปล่าคะพีทตกใจกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณตาแต่ที่หญิงคนนั้นพูดเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ฉันอยากให้คุณร่วมมือถ้าคุณพ่อของฉันมาซื้อของเล่นที่ร้านคุณอีกคุณอยากขายให้ท่านนะคะพีทมองผู้หญิงคนนั้นด้วยความแปลกใจทำไมล่ะคะท่านรักหลานของท่านและท่านก็มีความสุขที่ได้ซื้อของเล่นดีๆให้หลานของท่านซึ่งมีหลายคนเหลือเกินหญิงคนนั้นดันตัวเด็กชายตัวเล็กๆให้มายืนข้างหน้าหลานของท่านมีแค่เด็กคนนี้คนเดียวท่านมีฉันเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวและนี่ก็คือ หลานคนแรกของท่านพีทมองเด็กชายด้วยความประหลาดใจทำไมคุณตาต้องโกหกเธอแต่ท่านดูมีความสุขจริงๆนะคะเวลามาเลือกของเล่นที่ท่านเออบอกว่าจะเอาไปให้หลานๆนะคะค่ะท่านมีความสุขที่ได้ทำเช่นนั้นแต่ท่านทุ่มเทให้กับมันมากเกินไปถ้าคุณอยากเข้าใจอะไรมากกว่านี้คุณไปกับฉันสิคะลูกสาวของคุณตาบอก พีทไม่รีรอที่จะรับคำชวนนั้นเธอโทรศัพท์ไปขอลางานเจ้านายครึ่งวันแล้วเดินทางไปพร้อมกับลูกสาวและหลานชายของคุณตาทันทีลูกสาวของคุณตาพาพีทมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและเดินเข้าไปยังห้องพักรวมของผู้ป่วยมะเร็งหลอนหันมาพูดกับพีทเมื่อเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเราเพิ่งรู้ว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งเมื่อสามเดือนก่อน พีตตกตะลึงใจหายว่ากับข่าวร้ายนี้ตรงมุมห้องนั่นเองเธอเห็นคุณตานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เตี้ ย, ยโดยมีเด็กหลายคนรุมร้อมคุณตาอยู่เด็กเหล่านี้ล้วนป่วยด้วยโรคมะเร็งบางคนร่างกายผ่ายผอมเพราะโรครุมเร้าบางคนผมร่วงเพราะทําคีโมและบางคนก็มีรอยช้าเป็นจ้ำๆปรากฏอยู่ที่แขนเด็กแต่ละคนมีอาการของมะเร็งที่แตกต่างกันไปแต่ที่ทุกคนมีเหมือนกันในขณะนี้ก็คือ เสียงหัวเราะตารักหนูตารักหนูหนูเป็นเด็กดีตารักหนูเด็กๆพากันหัวเราะชอบใจเมื่อตุกตาคุณตาพูดประโยคนี้คุณตาหันมาเห็นผู้มาเยือนแล้วท่านสบตากับลูกสาวของท่านอย่างเนิ่นนานก่อนจะหันมายิ้มให้พีทอย่างใจดีแล้วลูกเดินขึ้นมาทางพีทโดยทิ้งของเล่นต่างๆไว้ให้เด็กๆ เ, เล่นกันเองมาหาพ่อหรือ คุณตาถามลูกสาวของท่านแล้วหันไปยิ้มให้พีทอีกครั้งลูกไปหาเธอที่ร้านขายของเล่นขอร้องไม่ให้เธอขายของเล่นให้คุณพ่ออีกลูกสาวของคุณตาพูดขึ้นโดยไม่รอให้คุณตาถามถึงการมาของพีทเธอไม่เข้าใจว่าทำไมลูกจะต้องห้ามคุณพ่อไม่ให้ซื้อของเล่นให้หลานของท่านลูกจึงพาเธอมาดูความจริงคุณตาสาหาห่หน้าน้อยพ่อไม่ได้โกหกเธอลูกรัก เด็กๆพวกนี้คือหลานของพ่อพ่อรักพวกเขาลูกไม่ควรทำลายความสุขของคนอื่นแบบนี้ลูกต้องทำเพราะคุณพ่อกำลังทำร้ายตัวเองลูกสาวของคุณตาคัานเสียงขึ้นจมูกเหมือนจะร้องไห้เงินรายสัปดาห์ที่ลูกให้คุณพ่อไปซื้อยารักษามะเร็งคุณพ่อกับเอาไปซื้อของเล่นมาให้เด็กๆเหล่านี้เขาพีความสุขแล้วคุณพ่อละคะ คุณพ่อกำลังจะตายนะพีทเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใดคุณตาจึงต้องไปซื้อของเล่นในทุกๆวันเสาร์พอเมื่อท่านได้เงินมาท่านก็เอาไปซื้อของเล่นทันทีนั่นเองคุณตายกมือขึ้นแตะบ่าลูกสาวของท่านอย่างอ่อนโยนไม่เลยลูกพ่อมีความสุขมากที่ได้ให้ความสุขแกเด็กๆ เ, เหล่านี้ความสุข จะทำให้พ่อมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่การกินยาที่มีต่สารเคมีแต่การกินยาเพื่อรักษาอาการก็จำเป็นนะคะคุณตาพีทพูดขึ้นบ้างคุณตาหันมายิ้มกับพีทอย่างใจดีเหมือนเคยตาผ่านความทุกข์ความสุขในโลกมามากและตอนนี้ตาก็แก่มากแล้วถึงจะรักษามะเร็งหายก็ ค, คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่นานหรอก แต่เด็กๆเหล่านี้สิไม่เคยรู้จักความสุขเลยทุกๆวันเขาจะต้องตื่นมาร้องไห้เพราะความเจ็บปวดจากโรคที่ตัวเองเป็นบางคนไม่มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้าชีวิตใดก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรได้รู้จักกับความสุขบ้างตาจึงซื้อของเล่นมาเล่นกับพวกเขา หลานชายของคุณตาซึ่งยืนมองเด็กๆในห้องนั้นเล่นของเล่นกันอย่างสนุกสนานแงนหน้าขึ้นมองคุณตาของเขาแล้วพูดอย่างไร้เดียงสาว่าคุณตาซื้อของให้เด็กคนอื่นเยอะแยะแต่ไม่เคยซื้ออะไรให้ผมเลยคุณตาก้มลงมองหลานชายตัวน้อยก่อนจะโน้มตัวลงมาหอมแก้มเด็กชายด้วยความรักตากรักหลานมากที่สุดพ่อและแม่ของหลานก็รักหลานเหมือนกัน เห็นไหมชีวิตหลานมีแต่คนรุมรักนอกจากนั้นหลานยังมีร่างกายที่แข็งแรงหลานไม่กลัวเกรงต่อแสงอาทิตย์กล่าววิ่งอย่างเร็วจีแข่งกับเพื่อนเพื่อนกล่าปีนต้นไม้และกระโดดลงมากล่าททำทุกอย่างที่อยากจะทำแต่เพื่อนเพื่อนในห้องนี้ไม่มีใครทําอย่างหลานได้เลยพวกเขา ส่งทนอุดอู้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมและนอนร้องไห้อยู่บนเตียงแคบๆของตนเองทั้งวันทั้งคืนถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมเราก็ควรจะเสียสละบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นๆบ้างหลานไม่คิดว่าอย่างนั้นจะดีกว่าหรอือหลานชายตัวน้อยของคุณตาเข้าสมกอดคุณตาด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณตาพูดเท่าไหร่นะ แต่ก็รับรู้ได้ว่าคุณตาของตนเองเป็นคนใจดีที่สุดในโลกผมจะเอาของเล่นของผมเล่นกับเพื่อนๆที่นี่บ้างและถ้ามีเงินค่าขนมเหลือผมจะเอามาให้คุณตาแต่คุณตาต้องพาผมไปเลือกของเล่นด้วยคนนะครับเพราะผมรู้ว่าเพื่อนๆชอบเล่นอะไรคุณตาหัวเราะชอบใจแล้วอุ้มหลานชายขึ้นมากอดหอมด้วยความรักใคร่ลูกสาวของคุณตาพูดอะไรไม่ออกอีก หล่อนอาจจะทำใจยอมรับการเสียสละของผู้เป็นพ่อได้ยากแต่พีชเชื่อว่าสักวันหล่อนจะเข้าใจส่วนตัวพีชนั้นพรุ่งนี้เธอจะนำเหตุการ์ทั้งหมดไปเล่าให้เจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นฟังเพราะเจ้านายก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งบางทีเขาอาจจะช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างเธอทั้งหลาย บางสถานการณ์เราก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าช่วยเขาแล้วตัวเราจะไม่พลอยเดือดร้อนไปด้วยหรือแต่เธอรู้ไหมว่านั่นหละคือความหมายยิ่งใหญ่ของการเสียสละการเสียสละจะทำให้เราสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีเพื่อให้คนอื่นมีในสิ่งที่เขาไม่เคยมีฟังดูไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมก็ใครละ่ะจะยอมเสียสิ่งดีๆที่ตนมีให้คนอื่นไปง่ายๆแต่เพราะเป็นเรื่องยากอย่างนี้ การเสียสละจึงเป็นคุณธรรมที่สังคมเรียกหามากที่สุดอย่างไรก็ตามคนที่มีใจเสียสละจะไม่คิดสาตตะอย่างนี้เลยเขาทำก็เพราะว่ามีความสุขที่จะทำแต่ถ้าเธอทำใจให้คิดอย่างนั้นไม่ได้ก็ลองคิดง่ายๆอย่างนี้ลองคิดดูสิว่าถ้าทุกๆคนพร้อมใจกันเสียสละเพื่อคนอื่นเธอให้เขาเขาให้เธอแล้วจะยังเหลือใครอีกที่ต้องสูญเสีย Thank you.